อันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันมีความหมายไปในทางไม่ดีคือเจ้ากรรมนายเวรผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีไม่ใช่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวเ ร, รเวคือผู้ที่ถูกทำร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวรถ้าแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวร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 ทำนองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาปุปการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกันชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งไหนภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งในภพภูมิเดียวกับเราทั้งหลายนี้ด้วยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและทั้งผู้มีพระคุณเมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร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 อย่างจริงใจให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดก้าเกินที่ตนอาจได้กระทำแล้วต่อใครๆท่างนั้นให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมค่อยๆคิดค่อยๆบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและไผยระด้วยถ้อยคาจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคาและจิตใจที่ไม่เผเระจริงใจ